พระไตรปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่ส4บสพระสูตรที่ยี่สสาอจจริยะภูตะธรรมสูตรสูตรว่าด้วยสิ่งอัศจรรย์และไม่เคยมีก็มีขึ้นพระผู้มีพระภาคประทับนเชตวนารามภิกษุทั้งหลายสนทนากันถึงเรื่องความอัศจรรย์ในการที่พระผู้มีพระภาคทรงระลึกพระชาติได้ว่าเคยเป็นอย่างนั้นนั้นมา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 ก็มีขึ้นของพระพักกุลเทระท่านพระพักกุลอยู่ในเวลุวนาวรามใกล้กรุงราชครื้ชีบเลื่อยชื่อกัสปะเคยเป็นสหายตั้งแต่ครั้งเป็นครือขัดของท่านพระภกุลเข้าไปหาท่านพระพักกุลถามทราบความว่าบวชมาถึงแปดสิบปีแล้วได้ถามถึงปัญหาเรื่องเคยเสพเมถุนกี่ครั้ง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 ซึ่งเป็นความน่าอัศจรรย์สำหรับเรื่องนี้เป็นเหตุการณ์ภายหลังพุทธปรินิพาน